ศาสนธรรมที่จะให้ยังคงเส้นคงวาหน า, นานแน่นด้วยมรกด้วยผลตามที่พระพุทธเจ้าประทานไว้จริงๆประยัติกับปฏิบัติต้องกรมกลืนกันไปไม่ศักแต่ว่าเรียน จำได้หมายรู้ตามที่ศึกษามาแต่การปฏิบัติไม่สนใจให้เป็นไปตามแบ บ, ต า, บตามระเบีตบตำรับตำรายที่ได้ศึกษาเลี้เรียนมายัางนั้นศา ส, สนาจะว่ามันมีความหมายไม่มียิทธาสักดาลภาพที่จะทำโลกให้เย็นก็ไม่ผิด ถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเคลือบแฝงกันไปหรือเป็นคู่แขยงกันไปเพระาะศาสนาที่จะทรงมากทรงผลก็คือาศาสนาที่ทรงเหตุทรงผลของผู้ปฏิบัติหนักแน่นอยู่ภายในจิตใจตามหลักาศาสนาธรรมตลอดเวลานั่นแหละ เป็นศาสนาที่จะแสดงนิทาสัมดานุภาพก่อนอื่นก็แสดงที่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติมีความหนักแน่นมั่นคมขนาดไหนต่อหลักทมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ผลจะเป็นมาตามนั้น แัะเป็นมาเรื่อยๆ เ, เพราะการปฏิบัติมีข้อหนักแน่นประจำตนอยู่โดยสม่งเสมอผลจะแสดงออกเรื่อยๆจนปรากฏเด่นชัดภายในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองหากไม่มีการปฏิบัติเป็นคู่เคียงกันไปแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับ ที่เขาท่องบนสัมวัทยายหลักวิชาใดๆก็ต่างก็เพียงจำได้เท่านั้นทมก็จำได้แต่สูตรคำภีนั้นคำภีนี้ซึ่งเป็นเพียงคำบอกเล่าเจ้าของก็ไม่สนใจที่จะพิจปฏิบัติคุณค่าอย่างธรรมที่เกิดขึ้นจากความจำนั้น ก็ไม่มีที่จะทำให้เจ้าของได้รับความร่มเย็นผาสุขสมกับว่านับถือกับพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามนี่เป็นของสำคัญมาเสียตรงนี้เองจะว่าทากับโลกไม่ผิดกันอะไรก็ไม่น่าจะผิดเพราะเพียงจำเฉยๆโลกเขาก็ะจำได้เขาก็เลียนได้ เราเรียนทมก็จำได้จำทำแต่ไม่ปฏิบัติตามทำที่จะให้เกิดผลขึ้นมาก็ไม่เกิดผลจะเกิดไม่ได้ถ้ามีแต่ความจำเฉยๆต้องมีการปฏิบัติ ด, ด้วยผลถึงจึงจะเกิดได้เป็นลำดับดำดับดังนั้นท่านจึงมีไว้เจี่ยวโยงกันไปว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเ ร, าเรียน เมื่อรู้เข็มคิดทางเดินแห่งธรรมที่สั้นทรงชี้แจงไาแล้วอย่างใดก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติต า, ตาเมเข็มคิดทางเดินที่ตนยันจำได้แล้วนั้นไม่ให้ผิดพลาดผลย่อมจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นความเย็นใจที่ว่าที่ตนได้ปฏิบัติถูกนั่นะอันดับต่อไปก็ปรากฏผลเป็นความสงบเย็นใจ จากภาคปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นภาคปฏิบัติอันสมพันธ์สำคัญยิ่งกว่าภาคอื่นใดในวงการปฏิบัติแห่งพระพุทธศาสนาแล้วจะค่อยแสดงขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เป็นผลเด่นขึ้นไปเป็นลำดับลำดานางครั้งพุทธการท่านทรงมักทรงผล เป็นสาวกอรหัต ร, รหันด้วนแล้วตั้งแต่ท่านหนักแน่นในทางภาคปฏิบัติไม่ว่าการอยู่การกระทำถ้าภาคพูดภาษาของเราปัจจุบันนี้ว่าภาคเดินธุดงกรรมฐานท่านอยู่ในสถานที่พระ พ, พุทธเจ้าทรงเห็นชอบที่พระเจ้าทรงแนะนำทรงสั่งสอนให้อยู่ ท่านทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำํำท่านเดินท่านเที่ยวท่านโคจรไปณนฐานที่พระพุทธเจ้าทรงให้เที่ยวให้โคจรปิยบททั้งสี่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันตนอยู่เสมออยู่ด้วยหลักธรรมหลักวินยัยอยู่ด้วยใจเป็นธรรม ำกับใจย่อมคุมคืนกันได้โดยสม่ำเสมอจนถึงมีความเด่นชัดหรือมีความสามแต่กล้าสา ม, มารถขึ้นเรื่อยๆเช่นอย่างสมาธิเราเกิดมาเราเคยมีสมาธิที่ไหนแม้แต่พระสาบกท่านที่เป็นสาระของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็ไม่ปรากฏว่าท่านเกิดขึ้นกับสมาธิ ท่าไม่ได้เกิดขึ้นกับปัญญาท่าไม่ได้เกิดขึ้นกับยมุตตุผลพ้นท่านเกิดขึ้นกับวัตตะวณภวิชาปฏิยาสร้างฆาราเรื่องของกิเลสท่าให้เกิดทั้งนั้นแต่ทําไมท่านถึงได้เป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายอันเป็นสมบัติล้นค่าเริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นถึงยมุตตุผลพ้น ท่านทำไมท่านถึงได้ทรงมหาสมบัติเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์จนถึงกับว่าบุดพ้นจากทุกข์ไม่มีชิ้นใดอันเป็นสมมุติเข้าเกี่ยวข้องท่านได้เลยก็เพราะท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังมีความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันทางทางความภาคเพียรและความระมัดระวังทางด้านศีล และภาคเพียนทางด้านธรรมไม่ขาดวักขาดตอนอยู่ที่ไหนมีธรรมเป็นพื้นมีความอยากรู้อยากเห็นมีความอยากบิดพ้นจากทุก์เป็นพื้นเพของใจหรือเป็นพื้นฐานของใจมีความมุ่งมั่นเป็นเครื่องดึงดูดความภาคเพียนทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์ท่านตัด ออกโดยลําดับลําดาตามวิสัยของผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์แม้จะมีกิเลสอยู่ในหัวใจก็ตามกิเลสเหล่านั้นก็ไม่มีอำนาจที่จะล้างท่านเอาไว้ได้ท่าทั้งสละด้วยทางกายทั้งตัดความอาลัยเสียดายทางจิตใจเออทางให้ การก้าวเดินเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยความสะดวกโดยทางความภาคความเปลี่ยนทุกียาบุตรตลอดถึงทุกข์ความเคลื่อนไหวของใจมีสติคอยระมัดระวังรักษามีปัญญาคอยกั้นกรองอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิไม่มีก็มีขึ้นได้นะท่านก็เป็น เจ้าของสมบัติคือสมาธิสมบัติขึ้นได้แล้วก็เป็นเจ้าของแห่งปัญญาสมบัติเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นมาได้จนกระทั่งเป็นเจ้าของแห่งมหาสมบัติอันเลิศโลกคือนิพพานสมบัติขึ้นมาได้ทั้งๆ ท, ที่ท่านไม่เคยครองมาเลยตั้งแต่วันเกิดนี่พวกเราทั้งหลายก็เกิดในแดนเดียวกัน คือแดนอวิชาปจจยาสร้างาลาาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแต่เกิดแล้วมีความแยกแยะ ก, กันไปต่างๆนานาตามบุญตามกรรมตามความคิดเห็นหรือตามภพตามกำเนิดของตนแต่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี้นี้ก็มีความแยกย้ายผันแปรแห่งความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆเพราะฉะนั้นการนับถือและความเคลื่อนไหวตลอดเป็นการปฏิบัติ นับถือจึงมีความแตกต่างกันไปเป็นลําดับลําดาหาประมาณไม่ได้แต่เรายังแยกแยะจิตใจของเราเข้าสู่อัตสู่ธรรมอันเป็นธรรมที่เลิศในแก่ศาสนธรรมที่พระพุธทธเจ้าองค์ประเสริฐตรัสสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติกจาจัดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยต่อจิตใจของตนอยู่ ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชนี้จึงรู้สึกว่าเรามีวาสนาบารมีไม่น้อยเพราะงั้นท่านทั้งหลายจงอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวในความมีวาสนาะได้แยกตนออกมาสู่ทางที่ถูกที่ดีคือทางแห่งความพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นอุปกรณ์แห่งการก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกนี้ไม่มีสิ่งใดบกพร่องในส่วนภายนอกปัจจัยสีเนี่ยคำว่ากีวรก็สมบูรณ์บินทบาทก็ยังที่เราเห็นแล้วนั้นเสนาสะนะก็พอเป็นพอไปและให้พยายามหาที่เด็ดที่เดียวที่สงบสัดยิ่งกว่านี้ไปกีลานเพศก็เหมือนกันมียาไม่อดไม่อยากแต่ยาไป ดวงจิตติดพันกับอยู่กับยามากกว่าให้ติดพันในอริยสัจมีทุกสัจเป็นต้นโดยถือว่าโลกนี้เป็นโลกที่เกิดแก่จุดตายอนิจจังทุกข์ขมราตามีอะไรก็เยียวยากันไปตามเกิดตามมียาไปถือเป็นความกังวลเป็นความกลัวเป็นกลัวตายให้เหนือสัจธรรมไปจะเป็นเรื่องของกิเลส สมุทัยเหยียบย่ำทำลายาศาสนาธรรมซึ่งจะควรเกิดมีขึ้นภายในตนให้ล่มจมทิพายไปเสียนี่พูดถึงเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้ว ดีไมด่ดีถ้าเราประมาทลืมเนื้อลืมตัวกับปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เราเสียได้ลืมเนื้อลืมตัวไปได้เพราะมีมากต่อมากแล้วยิงไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนอกจากจะบกพร่องในความภาคความเพียรของเรานี่เป็นของสำคัญและบกพร่องในจุดสำคัญด้วย ความเพียรถ้าไม่มีท่าต่อสู้จะเป็นความเพียรไปไม่ได้นะถ้าต่อสู้ต้องมีเจตนาเจตนาก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติกับปัญญาถ้าเรามีธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้รวมตัวกันเข้าที่เรียกว่าความเพียรแล้ว พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันก็ดีท่านหลุดพ้นจากทุกเพราะความเพียรนี้ทั้งนั้นทําไมเรานําความภาพเพียรอันเป็นทางสายเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมาใช้จะผิดจะพลาดจะขาดจากคุณงามความดีมีมรรคผลนิพพานเป็นสาคัญไปได้จะไม่พลาดจะไม่ผิดส่วนช้าหรือเร็วนั้น ก็เป็นไปตามกําลังความสามารถเพราะคำที่ว่าความหนาความบางจรลิตนิสัยตลอดการปฏิบัติของแต่ละหลายละหลายนั้นไม่เหมือนกันอาจจะช้าเพราะความผิดพลาด ค, ความเพียรของเราไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยก็ได้ ส่วนจะว่าผิดาพาดพราะเราหนาแน่นไปด้วยกิเลสนั้นมันยังไม่อยากจะพูดมากไปกว่าเรื่องเราหลงกลอุบายของกิเลสจะมีน้อยกว่าตามทําให้หลงได้ขึ้นที่ว่ากิเลสแล้วนี่จําเป็นอะไรจะต้องหากิเลสมาอย่างหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขามาปิดมากั้นทางเดินของเราให้ความเพียรล้มเหลวหรือให้ความเพียรตั้งไม่ได้ ความเพียรต้องตั้งได้แต่ระวัางกิเลแม้นิดหนึ่งก็ตามเข้ามาเป็นพิษเป็นภัยเป็นพลังอันสาคัญที่จะลบล้างหรือทำลายความภาคเพียรของเราให้เอ็นเอียงเป็นอย่างน้อยให้ล่มจมเป็นอย่างมากไปอยู่สมโดยสม่งเสมอนี่ที่ว่าไม่สามารถจะเป็นไปได้เพราะไม่สามารถที่จะ รู้กลอุบายของกิเลสประเภทต่างๆที่เป็นเครื่องต่อต้านภายในใจิตใจเรากำลังประกอบความภาคยันอยู่ให้ล้มเหลวไปล้มเหลวไปนี่ถ้าช้าก็ต้องช้าที่ตรงนี้เป็นสำคัญอากาศที่ว่าเราหนาเราบางด้วยกิเลสนั้นยาด่วนไปอุตริยาด่วนไปรู้ก่อนพระพุทธเจ้า จะด่วนแล่ากิ้งกว่าเว่เจ้าจะเป็นคนอุบายของกิเลสปิดกั้นทางเดินให้หาทางก้าวไปไม่ได้เพราะความอ่อนแอทอดแท้เนื่องจากความสำคัญอันนี้เป็นเครื่องหลอกลวงฉุดลากไว้เสียกำลังบังชาแทนที่จะได้เป็นแทนที่จะเป็นไปโดยความชอบธรรมก็กลับย่อหย่อนอ่อนกำลังลงไปถึงกับท้อถอยน้อยใจ นี่เรื่องของกิเลสมาได้หลายด้านหลายทางอย่างนี้จึงไม่ควรที่จะไปคิดว่าเรามีกิเลสหนากิเลสบางใครไม่ได้เอากิเลสมาจ่ายตลาดแข่งขันกันแหละในโลกอันนี้นอกจากสินค้าเท่านั้นเขาเปง น, นำมาวางตลาดส่วนกิเลสมีอยู่ในหัวใจของทุกคน และธรรมนี้ก็เป็นธรรมที่เคยป ร, ราบกิเลสมามากต่อมากแล้วให้สิ้นสุดยุติจนกระทั่งไม่มีซากซื้อเหลืออยู่ภายในใจดังพระพุทธเจ้าของเราทรงดําเนินมาแล้วทุกๆพระองค์ด้วยอํานาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องปราบไม่มีสิ่งอื่นใดจะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อเมือได้พระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ปราบกิเลสให้ราบเรียบไปถึงความ พ้นทุกเพราะอํานาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบตามเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมที่เหนือมีอํานาจเหนืออยู่ตลอดเวลาถ้าเรานํามาใช้นิเลจะนาขนาดไหนก็ตามมันก็มีอยู่เพียงภายในใจิตใจของเรานีเท่านั้นถ้าเมื่อทำอย่างลงไปนั้นทําไมจะไม่ทั่วถึงอย่างโลกเหล่านี้มันกว้างขนาดไหนพระอาทิตย์ยังส่องแสงสว่างทั่วถึงไปหมด แล้วปัญญาทำไมจะไม่ส่องสว่างทั่วถึงในวใจนี้ซึ่งมีความรู้อยู่ภายในตัวเองนี้ใหญ่ยืดเล็กก็ดูเอารู้อยู่ภายในตัวเรารู้อยู่รอบตัวจะว่าใหญ่ขนาดไหนจะว่าเล็กขนาดไหนเมื่อสติปัญญานำมาใช้เพื่อความรูรอบตัวแล้วก็มีทางที่จะรู้จะเห็นถ้าเข็นค่ากิเลสให้บรรลัยไปจากใจได้เช่นเดียวกับครั้งผู้จัการท่าน ไม่มีที่น่าสงสัยการประกอบความภาคเพลินเราอยากถือว่าเป็นเอาความเะ่าดัวเข้ามาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เข้ามาเป็นเครื่องดําเนินเข้ามาเป็นนิ ส, สัยพายในจิตใจของเราจะเป็นความเสียหายไปโดยลำดับธรรมดาเพราะนี้เป็นคนมายาอันหนึ่งที่สําคัญของกิเลสซึ่งเคยหลอกลวงโลกมานานแสนนานแล้วใ ห, ให้ตั้งไว้เพื่อความพ้นทุกข์ ให้ตั้งไว้เพื่อความสําเร็จให้ตั้งไว้เพื่อความชนะตนเองที่เป็นความอยากอันฝืนทำอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั้นความอยากนี้อยากรอบตัวภายในจิตใจไม่เคยมีความอิ่มพอมีแต่ความหิวความกระหายควรรู้ก็อยากรู้ควรเห็นก็อยากเห็นและตัดคําว่าควรออกก็มีว่าคําว่าอยากรู้อยากเห็น อยากสัมผัสสัมผัสอยากนั้นอยากนี้อยากทั่วแดนโลกธาตุทั้งที่จิตนี้ไม่ได้ไปเห็นก็อยากไปหมดในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็อยากเนี่ยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วหาประมาณไม่ได้นั้นอยากอยู่ตลอดเวลาการบวชมาและการประพฤติปฏิบัติตัวเองถ้าไม่เพื่อกําจัดไม่เพื่อปราบปรามความอยากอันเป็นเคยเป็นพิเป็นภแก่ตนมานานแต่นานแล้วก็ไม่เรียกว่าความเพียร เพราะอันนี้เด่นมากที่เป็นข้าสึกอยู่ในหัวใจเราเวลานี้อยากเห็นเป็นยังไงนะถ้าเราปล่อยให้เห็นแล้วจะคืบคลานเข้าไปอีกมากเข้าไปอีกใน เ, เรื่องความเห็นได้เห็นแล้วจะหายสงสัยแล้วยุติความอยากจะไม่มีนั้นเป็นไปไม่ได้อเอาอยากดูรูปดูสิพออยากดูรูปพอเห็นรูปแล้วจะอยากอะไรไปอีกนะอยากฟังเสียงพอได้ยินเสียงแล้วจะอยากอะไรไปอีกในแง่ของเสียงนั้นนั้นนี่ มันจะเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านจริงเรียกว่านัตติตันหาสมานาทแม่น้ำจะกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกไม่มีแม่น้ำใดเสมอด้วยตันหาคือความหิวความหยอยู่ตลอดเวลานี่เลยยังไม่ถึงกว้างก็ยังกวัดไม่ได้ลึกก็ยังไม่ถึงได้แก่ตันหาเป็นตัวชนะแม่น้ำาหาสมุทรทะเลโดยสิ้นเชิง แม่น้ําไหนจะกว้างขนาดไหนลึกขนาดไหนสู้ตันหาอันนี้ไม่ได้ท่านที่เรียกว่าความอยากความอยากเนี่ยการประกอบความเพียนก็คือการปราบกราบความอยากให้ตัดเรื่องความอยากภายในจิตจะออกตามทวารต่างๆเพราะเป็นทางเดินของความอยากซึ่งมีอยู่ภายในจิตผักดันออกมา ออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ออกทางธรรมอารมณ์ที่ได้เคยสัมผัสัมพันกับสิ่งใดมาแล้วที่เรียวกว่าอายจนะภายนอกรูปเสียงกลิน่นลดเครื่องสัมผัสใ้รับเรื่องราวอะไรแล้วจะนำมาคุ้นคิดเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่มีความอิ่มพอเหมือนกันได้กขมาตรงนี้แล้วก็ไม่มีความอิ่มพอคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลากอแต่ฟืนแต่ไฟ เขาหัวใจให้ลุ่มลอนอยู่ที่ไหนที่ไหนไปที่ใดหาความสบายไม่ได้โลกแสนกว้างก็ไม่ได้ไปคับแคบที่ตรงไหนไม่ไปกระเทือนที่ตรงไหนในโลกที่กว้กวางนั้นแต่ก็มากระทบกระเทือนที่หัวใจดวงนี้เพราะผู้นี้เป็นผู้ก่อเหตุโลกกาะทาทั้งหลายดินผ้าอากาศเขาไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุก่อเหตนเรื่องราวอะไรขึ้นมาผู้นี้ ต่างหากคือใจตรงนี้เป็นผู้รู้ผู้รู้และมีแสนคนมายาที่จะให้รู้ในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาพลักดันขึ้นมาทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงลลำบากสำหรับสัตว์โลกและเราเราท่านท า, น ท, านที่จะให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายไม่ได้เพราะสิ่งรบกวนสิ่งบีบบังคับ สิ่งผักดันมีอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่ละเวลาหลับสนิทเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเ จ, จ้าท่านจึงเห็นถูกเพราะอำนาจของกิเลสสมุทัไทยอย่างถึงพระไทยตัดบกันด้วยมากคือความพยายามทุกด้านทุกทางศรัทธาวิรยาสติสมาธิปัญญารวมตัวเข้าเพื่อฟาดฟันหันแหลกกับสถานที่ก่อเหตุ เป็นกองฟืนกองไฟขึ้นมาภายในจิตใจนี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ไม่มีไฟกองใดจะมาแสดงอีกในโลกนี้ไม่มีสินใดมาเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากยิเรียนอย่างเดียวเท่านั้นธรรมะท่านจึงสอนเน้นหนักลงในจุดที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลานี้คือใจยิเรีย อยู่เกิดที่ใจอยู่ได้ที่ใจทําลายระเบียบเบียนบีบบังคับอยู่ที่ใจบีบบังคับใจของสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความลําบากไม่มีอะไรเกินกิเลสในโลกอันนี้มีกิเลสเท่านั้นที่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกถ้าเราอยากทราบก็ให้พยายามแก้ไขกันเข้าไปต่อสู้กันเข้าไปหักความอยากเข้ามาตัดความอยากเข้ามาอยากอะไรไม่ สนใจเป็นมีแต่ว่าอยากรู้อยากเห็นตัวอยากตัวทะเยอทยานนี้ว่ามันเป็นหน้าอะไรบ้างถ้ามีหน้า<ม>ดูให้มันเห็นมันชัดเจนตรงนี้ให้มาแล้วเราก็จะทราบเอ่นี่เรื่องกองพืนกองไฟที่มันก่อขึ้นมาเนี่ยมีตรงไหนรวมลงไปแล้วมีอยู่ที่จิตแต่เดียวพอขอยับออกมาก็เป็นพืนเป็นไฟออกมา ถ้าเป็นเรื่องของกิเลส ข, ขยับก็เท่า ก, กันกับไฟที่แสดงตัวออกมาหรือกระเด็นออกมานั่นเองถ้าเป็นธรมก็เหมือนน้ําดับไฟสาดเข้าไปมากน้อยก็ทําไฟให้ยุบย่อลงไปจนถึงดับถึงมอดไปได้แล้วสิ่งเหล่านี้ใครเป็นผู้มาสอนใครเป็นผู้ฉลาดเหนือพระพุทธเจ้ามีที่ไหน สอนเน้นหนักลงที่ใจของสัตว์โลกนี่เองเรานนี้เป็นตัวทุกข์ที่สุดไม่มีอะไรเกินหัวใจเราเราท่านทานและสัตว์ทั้งหลายมีกี่ดวงวิ ญ, ญญาณเป็นกองทุกข์ไปหมดทุกดวงวิ ญ, ญญาณไม่มีดวงวิ ญ, ญญาณใดที่จะเปอิสระทั้งทั้งที่เกลียดยังฝังจมอยู่ภายในตัวเองนั้นนอกจากใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านซึ่ง ไม่มีซากิเลสเหลืออยู่ภายในพระไทยและใจของท่านนั้นเลยท่านจึงเป็นบรมสุขได้เพราะไม่มีภัยอยู่ภายใ น, ในใ จ, จิตใจและท่านไม่ไปชมเชยสรรเสริญดินฟ้าอากาศแดนโลกชาติใดๆว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเดือลือยิ่งกว่าการสิ้นจิตเดชภายใ น, ในใ จ, จิตใจนี้นั่นและไม่มีอะไรยิ่งกว่าความบริสุดของใจที่ปราศจากซากิเลสไม่มี กิเลสไม่มีเหลือแล้วภายในใจเป็นความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้และการชมก็การตําหนิก็ไม่ได้ทรงตําหนิอันใดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่ได้เห็นโทษสิ่งใดใน3แดนโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าการตําหนิยิ่งกว่าการเห็นโทษของกิเลสซึ่งบีบบังคับอยู่ภายในใจของพระองค์เองหรือในพระทัยของพระองค์ จึงต้องได้เข้มนวดกวดขันหนักเบาเอาสู้เป็นตายไม่ได้ว่าจนกระทั่งปรากฏเป็นพระประวัติขึ้นมาว่าสรบ3สามครั้งสามหนในวันจะตรัสรู้ก็เป็นวันสละเป็นสละต า, ตายต่อกันด้วยอีกห้เป็นประจักษ์ในหัวใจของผู้ต้องการความจริงที่จะยึดพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับได้เป็นอย่างดีในวันที่บําจงบําเพ็ญ อนาปานนสติที่ใต้โคนต้นไม้คือต้นไม้โพนั่นแหละท่านาลูกขมูลท่านอยู่ลูกขมูลได้ตรัส บ, บำเพ็ญที่ลูกขมูลตรัสสรู้ที่ลูกขมูลคือต้นไม้ต้นเดียวไม่มีที่มุงที่บงังร่มโพนั่นแล้วทรงตั้งสัจจะอธิษฐานลงในที่นั่นด้วยว่าฌาฐานที่นี้ เป็นหนึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของเราบรรลุธรรมถึงแดนยมุตตุพ้นเป็นศาสด า, าขึ้นมาถ้าไม่สองถ้าไม่ได้บรรลุธรรมหรือตรัสรธรรม ต, มตามความมุ่งหมายนี่แล้วสถานที่นี้ต้องเป็นที่ตายของเราเท่านั้นไม่มีความเป็นอื่นที่จะเคลื่อนขาดโยกย้ายไปไหนอีกไม่มีแล้วนัน่นนี่เป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดี สำหรับเราผู้ปฏิบัติที่จะทำความจัดเดี่ยวในขณะที่ควรจะจริง จ, จ, งจดัดจังเดจดเดียวควรเอาหลักอันนี้มาเป็นคติเครื่องสอนใจเราสมนามกับว่าศาสดาศาสดร า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาเป็นเครื่องสอนโลกเป็นผู้สอนโลกคติทุกอย่างได้มาจากพระเจ้าไม่มีผิดนี่พระองค์ทรงดาเนินมาอย่างนี้นั่นเด็ดหมพระพุทธ เ, เจ้าของเรา เราต้องคำนึงเสมออย่าให้อันใดมีข้อหนักแน่นมากกว่าธรรมให้พึงนำมาทบทวนบว ก, บวกลบกูญหารกันระหว่างกิเลสกับธรรมเราอยู่แล้วเราเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้อยู่มาด้วยจนกระทั่งบัดนี้เราอยู่ด้วยเรื่องของกิเลสททํานั้นไม่มีธรรมมาเป็นเครื่องอยู่ แล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ด้วยอำนาจของกิเลสคือไปก็ต้องไปด้วยอำนาจของกิเลสความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นผลเป็นอย่างไรมีแต่ความรุ่มร้อนภายในจิตใจของเราได้รับความแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรบ้างนับแต่เพียงมันเกิดมาถึงบัดนี้เท่านั้นถ้าไม่บําเพ็ญทำอย่างเช่นงวดกวดขันเพื่อสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้ว เรื่องความพ้นทุกข์หรือความอยู่สบายเป็นอิสระนั้นเราอยา่าพึงหวังนอกไปจากความเพียนให้พึงหวังในความเพลียนของเรามีหนักเบามากนอก้อยเพียงไรให้ทุ่มกันลงไปตรงนี้เป็นจุดที่มุ่งหมายเป็นจุดที่จะสมหวังอยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงสมหวังด้วยความเด็ดเดี่ยวอาหารพระสาวกทั้งหลายสมหวังด้วยความการบําเพ็ญไม่ท้อถอยอ่อนแอนําเข้ามาให้นําเข้ามาเป็นคติเครื่องสอนใจเรา เวลาเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตกิเลสนี้มันจะต้องทำให้อ่อนที่สุดในสิ่งที่จะเป็นภัยต่อมันนั้นไม่ให้แข็งให้กล้าอะไรได้เลยถ้าเป็นเรื่องของมันแล้วแข็งกล้าขนาดไหนมันยังไม่มีคำว่าถอยไม่มีคำว่าอิ่มพอยังจะยังจะกล้าจะแข็งจะเด็ดจะเดียวจะด้านปะัะพัฒน์ตะคือต่อทำทั้งหลายไม่มีที่จินตุดถ้าเรา ปลอยตามมันแล้วเรานับวันที่จะด้านต่ออัตตตธรรมนับวันที่จะหนาแน่นด้วยกีิเลยสและหนาแน่นด้วยมหันตทุกย่าว่าแต่ทุกธรรมดาเลยจะหนาแน่นไปโดยลําดับกลำดาเอามาทดสอบคือเรื่องเหล่านี้กัการประกบความภาคเพียรในรับความทุกข์ความลําบากมาขนาดไหนทุกก็ไม่ใช่ทุกเพราะอื่นใดก็ทุกเพราะการต่อสู้กับกิเลสต่างหานี้ เราไม่ได้ทุกเพราะการต่อสู้กับธรรมธรรมไม่ได้เป็นค่าศึกต่อเราผู้บําเพ็ญกิเลสต่างหากเป็นค่าศึกต่อเราผู้บำเพ็ญ ก, ก, การต่อสู้เราต่อสู้กับกิเลสต่างหากไม่ได้ต่อสู้กับธรรมถ้าเรายังเห็นว่าการประกอบความภาคเปลี่ยนเป็นของยากก็เท่ากับว่าเรานิยอมแพ้กิเลสบัญญัติคัมแล้วยังไม่รู้เลยว่าคนของกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเราจรึงไม่ยอมเห็นโทษของกิเลส ตัวทำให้ยากตัวให้ลำบากตัวต่อสู้ทำในเวลาประกอบความาเปลี่ยนนั่นนะหากเราพอจะเห็นโทษมันบ้างเราก็ต้องฝืนกันเราต้องต่อสู้กันการต่อสู้นี้ไม่ใช่จะมาสอนให้พระพุทธเจ้ามาสอนให้ต่อสู้กับนี่หลยเฉพาะพวกเราีนี่เท่า น, านั้น พระองค์ทรงต่อสู้มาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความลำบากพระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากมาแล้วถึงขั้นมหันตทุกเพราะการต่อสู้ที่เลวพระองค์ก็ทรงทำมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านทางเหตุมาโดยสมบูรณ์แล้วจนถึงกับได้ผลเป็นที่พอประถ่ายแล้วจริงนํามาสอนโลกเมื่อสอนลงมาถึงพวกเรานี้ทําไมเราจะเห็นว่าการประพฤติธรรมเป็นความไม่สะดวกการประพฤติธรรมเป็นของยากเป็นของลำบากไม่เห็นว่าการ ต่อสู้กับกิเลสเพื่ออัดเพื่อทำนั้นเป็นของลําบากเพราะกิเลสเหนียวแน่นมั่นคงพ่อกิเลสมีกําลังมากเพราะกิเลสมีความเฉียวฉลาดแหลมคมจึงต้องต่อสู้กันจนกว่าว่ากิเลสนี้มีกําลังลงน้อยเท่าไหร่แล้วมากน้อยลงเท่าไหร่แล้วการต่อสู้จะได้เบาลงไปเราทําไมไม่คิดอย่างนี้เราไปเห็นธรรมเป็นโทษไปเสียนี่เห็นเมื่อเห็นธรรมเป็นโทษก็เห็นมรรคผนิพพานเป็นค่าสิทต่อเรานี่เห็นกิเลส เป็นมิตรเป็นสหายทั้งๆที่กิเยสเป็นยักษ์เป็นผีเคยทำลายสัตว์โลกมามากขนาดไหนแล้วนี่การไม่ทันกับปัญญาของจิเลสเราไม่ทันอย่างนี้สดสดร้อนๆอนในวงความเปลี่ยนของเราเนี่ยแหละถ้าเราอยากจะทราบก็บําเพ็ญไปทีแล้วเพราะเราเคยแพ้มาสักเท่าไหร่แล้วเพราะความทุกข์ความลําบากนี่ก็เห็นว่าลําบากลําบากไปเสียเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงว่าอะไรพาให้ลําบากถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์พิจารณาทุกข์ให้ันชัดสิ ทุกท่านบอกว่าเป็นสัจธรรมนี่เราพิจารณาที่เรามองดูกิเลสเราเรามองดูทุกมองดูด้วยอำนาจของกิเลสมองดูด้วยความเห็นเป็นของกิเลสไปเสียหมดไม่ได้มองเห็นดูด้วยความเป็นธรรมนั้นจึงไม่เห็นอริยสัจนั้นจึงไม่เป็นอริยสัจมันยังเป็นเรื่องของสมุทัยไปหมดทุกนั่นก็เลยเพิ่มสมุทัยขึ้นมาเห็นว่าเป็นความทุกข์ความลําบากเห็นเป็นแบบโลกก็คือแบบกิเลสไปเสียกิเลสก็ยิ่ง มีกำลังพะพอกขูนขึ้นไปเดี๋ยวก็วล้มเนี่ยความเพียรล้มนี่แหละเราเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วการต่อสู้กับกิเลสล้มโดยเราไม่รู้สึกว่าเราได้ต่อสู้แล้วไม่รู้สึกว่าเราได้ล้มเรายังคิดไป็นว่าการปฏิบัติธรรมลํำบากถึงขั้นทุกข์ทรมานจนถึงขนาดที่วันล้มความเพียร น, นั่นกิเลสทําให้ล้มเราก็ยังไม่รู้ระว่าเล กิเลสทำให้เจ็บให้ปวดแสบร้อนเราก็ไม่รู้กิเลสทําให้เราโงา่ไม่ให้รู้สัจธรรมเราก็ไม่รู้นะเป็นยังไงกิเลสถ้าพิจารณากันทางท้งในทา ง, ทางเป็นอริยสัจแล้วทุกขนาดไหนก็ให้มันเห็นกันสิทําไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าเคยเห็นมาแล้วจึงนํามาสอนโลกภาษาวกเห็นมาแล้วจึงนํามาสอนโลกจึงบริสุทธิ์ เรายังไม่เห็นเห็นแต่เรื่องของกิเลสเห็นแต่ความเล้วแหลกแบกแนวเห็นแต่ความล้มลลายไม่เป็นท่าเพราะอำนาจของกิเลสจบต่อยทุกตีเอาแหลกเราเห็นแต่เนี่แต่เราก็ไม่รู้ว่ากิเลสมันทุบมันต่อยมันตีเราให้ล้มจากความภาคความเพียรนี่เป็นยังไงพี่เดชมันละเอียดไหมเมื่อพิจารณาก้าเข้าสู่สัจธรรมให้เห็นประจักษ์โดยชัดเจนแล้วทุกเหล่านี้มันมีความหมายอะไร ไม่มีความหมายทุกเป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นนั่นสมมืองไทยก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นด้วยอำนาจของมรรคติพจาณาชอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่างอันก็เป็นของจริงดังที่เคยพูดแล้วจิตก็เป็นธรรมชาติความจริงอันหนึ่งในขั้นภูมิของตนแม้จะยังไม่บริสุทธิ์ก็เป็นความจริงในขั้นนี้ขั้นนี้ของอริยสัจการต่อสู้กับทุก ก็พอฟัดพอเหวี่ยมกันไปแม้ทุกข์จะเป็นมากขึ้นมาเท่าไหร่ยิ้มได้ผู้ที่เห็นอริยะเห็นทุกข์นั้นเป็นทุกข์กษัตริย์จริงๆแล้วทําไมจะยิ้มไม่ได้พอเห็นแล้วว่าธรรมชาตินั้นเป็นความจริงเพียงอันหนึ่งเท่นานั้นจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งนั่นด้วยอํานาจของมรรคมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อแก้กันแล้วก็เหมือนน้ําดับไฟไฟเวลาถูกน้ําดับมีปฏิจจัยอะไรต่อต่อกันด้วยความรู้สึกไม่มี น้ำก็มีจิตตวิญญาณไฟกไม็มีจิตตวิญญาณเวลาดับกันหักดับได้อย่างนั้นนะนี่แล้วเย็นขึ้นมาที่ตรงไหนความเย็นก็ไม่มีการรับทราบกันความเย็นก็ไม่ทราบความหมายของตันนี้เป็นต่างอันต่างจริงหักดับกันได้อย่างที่ดับนั่นนี่เหมือนกันเรื่องอริยสัจถ้าลงพิจารณาให้เห็นตามความจริงและเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นนี่ทําไมจะไม่มีแก่ใจที่จะต้องต่อสู้ ผลที่ได้มาจากการเห็นความจริงแห่งอริยสัจแต่ละครั้งละครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความเชื่ออย่างฝังใจและความแน่นหนามั่นคงของใจให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยมดับมดับตามระยะตามเวลาที่เราพิจารณาอริยสัจรอบตัวรอบตัวเป็นของจริงของจริงทุกๆครั้งไปจนกลายเป็นความแก่กล้าสามารถทางด้านจิตใจทางด้านสติปัญญานั่นผลเป็นอย่างนั้น คำว่ามีความแก่กล้าสามารถทางด้านสติปัญญาก็ก็คือมักมีกำลังนั่นเองแล้วจะยิ่งจะสังหารที่เหลกอันเป็นตัวสมุทัยลงได้อย่างง่ายไดง่ายดเข้าไปดูลำดัะ mm hmm. นี่แหละการประพฤติปฏิบัติท่านผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความหนักแน่นแม่นยำต่ออัดต่อทำเอาจิงเอาจังกับที่เหลื หาจะเป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นมาเป็นอยู่อย่าง น, นี้ก็เราก็ทราบแล้วว่าผลเป็นอย่างไรบ้างมันต้องหลายสันพัน์คมในการฟัดการเหวี่ยงกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆนี้เวลานี้ก็จะหมดไปหมดไปละศาสนาหมดไปจากหัวใจของผู้นับถือแล้วย่นเข้ามาอีกก็ของผู้ปฏิบัติค่อยด้อยลงทุกอย่าง ความนับถือก็ด้อยลงการปฏิบัติก็ด้อยลงผลไม่ปรากฏสุดท้าย ก, ก็เหลือตั้งแต่คัำพีบาลานเต็มไปหมดความจดความจาจําได้แต่ไม่สนใจแต่ปฏิบัติตามทำว่าอย่างหนึ่งว่าวินัยว่าอย่างหนึ่งตัวทำอย่างหนึ่งเนซึ่งเป็นค่าสืบต่อาศาสนธรรมคือหลักธรรมหลักวินยัยไปเรื่อยๆสุดท้ายผู้จมผู้เสียหายก็คือผู้ฝืนนั่นแหละธรรมชาติของธรรมแท้ไม่ได้สูญหาย และหลักธรรมหลักวินัยที่เขียน <c oughs> จารตรวจจารึกไว้ในกอมพิวเตอก็ไม่สูญหายคงเป็นอัดเป็นธรรมอยู่เช่นนั้นเป็นตำหลับตําราอยู่เช่นนั้นแต่เราเป็นผู้หวังเอาผลประโยชน์จากตำหลับตําลาแล้วกลับมาสร้างความเสียหายร่มจมให้แก่ตนด้วยการฝ่าฝืนอัดธรรมหรือหลักธรรมหลักวินัยของพระเจ้านั้นมันสมควรที่ไหนกับพวกเราทั้งหลายผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติไม่สมควรอย่างยิ่ง ต้องพยายามตักตวงเอาอัดเอาทมด้วยการประพฤติธปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามหลักธรรมหลักวินยัยนี่เท่านั้นจึงจะก้าวเข้าสู่แดนพ้นทุกข์ได้โดยลำดับลำดับไม่สงสัยตะกี้นี้พูดถึงเรื่องคำว่าศาสนาเสื่อมอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วให้ดูหัวใจเจ้าของเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ราแข็งขึ้นในทางภาคปฏิบัติตลอดถึงผล ที่ปรากฏอย่างไรหรือไม่หรือหยอ่อนลงไปหยอ่อนลงไปยานลงไปจนพันแข้งพันขาจ้ของให้ร่วมลุกคกขึน้นถึงขนาดที่ว่าลุกไม่ขึ้นนั่นแหละกิเลสมันพันเมื่ออ่อนลงไปก็อ่อนลงไปเพื่อกิเลสไม่ได้อ่อนลงไปเพื่อธรรมคำว่าอ่อนหรือหยอ่อนยานลงไปไม่เพื่ออะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหยอ่อนยานลงไปเพื่อกิเลสกิเลสกดกิเลสดึง กิเลสลากกิเลสไถ่ไปจนกระทั่งถึงลุกไม่ขึ้นแล้วเราจะหาความดีมาจากที่ไหนหนีออกปัรษาแล้วต่างคนต่างออกประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสสถานที่ใดเป็นที่สงบสงบที่เวกดังพระพุทธเจ้าสอนสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่ทรงอัดทรงทางทรงธรรมทรงความภาคเพียรให้มีความแนะหน า, นานแน่นแม่นยําขึ้นทางด้านจิตใจของเรา ให้ไปอยู่ในสถานที่นั้นอยากลัวเรื่องเป็นเรื่องตายอย่างไรก็ต้องตายเกิดมาในชาตินี้ต้องตายแต่ก่อนจะตายขอให้ตักตวงเอาคุณงามความดีให้สมมติสมมายหรือเต็มความมุ่งมั่นปัตตนาหรือให้สมใจเต็มใจจะก่อนแล้วค่อยตายตายเมื่อไหรไม่มีอะไรสําคัญเนี่ยดินน้หนุ่งไฟสลาจากการประชุมนี้ลงไปสู่ธาตุเดิมขอเท่านั้นเกียดนี่เป็นยังไงพอตัวหรือไม่บกพร่องอะไรความบกพร่องนั้นเป็นความกระเทือน ทางเรื่องทุกข์แก่จิตใจถ้าเป็นความดีมีความสมบูรณ์ปูนผลก็เป็นเป็นความดีสําหรับจิตใจเป็นชีวิมงคลเอาทําให้จิตหลุดพ้นสยงไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีความห่วงหน้าห่วงหลังไม่มีเงื่อนใดเป็นน้ําหนักไม่มีเงื่อนใดมากดทวงจิตใจให้รับความกังวลวุ่นวายได้เลยแต่ก็แตกตายก็ตายรู้อยู่แล้วตั้งแต่ ยังไม่แตกตั้งแต่ยังไม่ตายด้วยสติปัญญาในการพิจารณาที่เรียกว่ากิจตภาวนาของเรามาแล้วช่ำช่ำชองมาแล้วชํนานาญมาแล้วรู้มาแล้วถ้าจะพูดว่าคอ ย, คอยก็คอยแต่ว่าละที่มันจะเป็นไปตามจิตจเป็นสักีพยานของใจเหล่านี้ว่าอนิจจังทุกขังนาตาคือความล้มความตายแปลไปแปลไปจนท่านถึงความล้มก่อตายมันจะถึงวันไหนในสุดท้ายแห่งความมีชีวิตของเราเนี่ยจะพังเมื่อไหร่ เพราะความรู้นี้รู้ไปแล้วว่าต้องพังเห็นได้เราจะไปกลัวในการประกอบความภ า, าคเพียรว่ะกลัวตายกลัวตายไม่สมเหตุสมผลต้องเอาให้จริงไอ้จางนักปฏิบัติเรานี่ร่อยหลอลงไปล่อยหลอลงไปทําให้อดวิตกไม่ได้นะทําให้วิตกกังวลกับหมู่กับเพื่อนเพราะความอ่อนแอทอดแท่ความเลี้ไหลแต่ในขณะที่อ่อนแอทางด้านธรรมานี่ ที่เลมันเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวัน <c oughs> จนทําให้อุจจารบาดตาขึ้นมาในวงปฏิบัติของเราเป็นลําดับลาําดาจะอ้ายังไงล่ะเราไม่ละอายบ้างหรืออายตัวเราที่ทำอยู่กับตัวของเราเองประหนึ่งว่าพระพุเทธเจ้าอยู่กับตัวของเรากับหัวใจของเราทําไมเราถึงจะไม่อายในตัวของเราที่โอตปะไม่อายตัวเองจะอายที่ไหนคนไม่อายตัวเองก็ทําได้หน้าด้านแบบหน้าด้าน คนมีฮิริโอตปาภายในจิตใจแล้วทำไม่ลงให้เป็นหนังนั้นนปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดความชั่วทั้งหลายที่เคยอธิบายมาแล้วนี้มีเป็นเวลาที่เป็นโอกาสที่จะออกประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไปคิดเรื่องตัดั จ, จสี่อาหารการบริโภคถ้าเอาอันนี้ไปเป็นอารมณ์แล้วก็จะกล้าไม่ออก ผู้ปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับก้าวขึ้นสู่เวทียังไงก็จะต่อยให้ถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตาย <c oughs> อันนี้ก็ยังไงก็จะเอาให้กิเลสทางถ่ายโยเท่านั้นการทุกข์ยากลาบากเคยทุกมาพอแล้วไม่ใช่จะมาทุกเฉพาะเวลาประกอบความเพียรนี้เท่านั้นแล้วเคยทุกมาตั้งแต่วันเกิดแล้วสงสัยอะไรเรื่องทุกไม่งั้นท่านจะเรียกว่าของจริงเหรอถ้ายังมาตื่นอย่างนี้จะเป็นของจริงได้ยังไง มันเห็นจริงในทุกทั้งหลายการประกอบความภาคเพียรก็ไปด้วยความสะดวกสบายเรื่องปัญญาถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาอย่านอนจมอยู่เฉยพิจารณาได้คิดได้คิดหลายครั้งละหนพิจารณาหลายครั้งละหนบางคับด้วยสติเข้าไปก็ย่อมจะรู้เหตุรู้ผลจากการค้นคิดของตนขึ้นมาเป็นสับถีประยานอันหนึ่งว่าเป็นผลขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้และจะทำจิตใจของเราให้ดู ด, ดื่มและพอใจในการพิจารณา แล้วก็จะเบิกทางให้กว้างขวางละเอียดละอลองไปในความแยบคลายของปัญญาในขณะที่ปัญญามีความแยบคลายไปโดยลําดับนิเลยก็ก็ขยายตัวออกเรื่อยๆเื่อๆลึพังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงดุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นสิ่งที่พึงหวังสําหรับเราผู้ปฏิบัติเพื่อหากําไรอย่างเดียวไม่ได้เพื่อหาความร่มจมถ้าเป็นความร่มจมขึ้นมาแล้วก็เสียชื่อเสียเสียง เสียคุณข้างความเป็นมนุษย์ก็คือเราเสียทั้งคนพระเสียทั้งองค์เพราะอาํานาจของกิเลสบีบบังคับสู้อาํานาจกิเลสมาได้แพ้กิเลสนี่เป็นสิ่งที่เสียศักดิ์ศรีมากในพระเราซึ่งเป็นลูกศิริสาคตนักรบในสงครามไม่มีการท้อถอยคือพระองค์สัจจะแต่ลูกศิษย์นี้มีแต่ความแพ้ความแพ้แพ้จนเลวแดกแบบแนวใช้ไม่ได้เลยไม่ควรที่ใช้มีในหัวใจเราผู้ปฏิบัติทั้งหลาย นอกจากความเก่นกล้าสามารถเท่านั้นเองท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาหละกการแสดงธรรมกเ็เห็นไม่ซุ่มควนตอนนี้